ก็เรียนเกี่ยวกับการดูดวงตอนที่คุณลบกลับไปบ้านนะนางก็มาหาคุณลบแล้วก็ถามว่ากลับมาแล้วเหรอกลับมาทําไมคุณลบก็ตอบไปบอกกลับมาอยู่บ้านครับน้านางก็ถามว่าแล้วไม่ทํางานแล้วเหรอคุณลบก็เลยบอกไปบอกยังไม่ทําครับเดี๋ยวไปหางานทําใหม่นะนางก็เลยถามว่าดูดวงให้น้าหน่อยได้ไหมคุณลบก็เลยถามว่าน่าจะให้ผมดูดวงทําไมน้าก็บอกว่าน้าฝันไม่ค่อยดี คือน้านเนี่ยบอกว่าฝันเห็นณนนีณนนีก็คือแฟนณ า, นางที่ตายไปแล้วเกิดอุบัติเหตุตายนะคะมาชวนไปอยู่ด้วยแล้วก็ฝันเห็นปู่ชวนน้าไปอยู่ด้วยคุณลบก็เลยบอกไปว่าได้เดี๋ยวผมดูให้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 แล้วก็พรุ่งนี้ผมจะไปหาพระนะนางจะไปด้วยกันไหมไปอาบน้ำมนต์นะนางบอกไม่ไปหรอกพอตกเย็นมาค่ะคุณลบก็ได้ข่าวจากหลานว่านะนางเนี่ยแกหล่นลงจากมอเตอร์ไซค์หัวฟาดถนนคุณลบก็เลยถามหลานว่าแล้วน้นางหล่นได้ยังไงหลานก็บอกตอนนั้นผมไปร้านค้าก็ไปเจอแกซื้อเหล้าอยู่แล้วแกก็ขอขึ้นรถมากับผมคุณลบก็ถามว่าแล้วทําไมมึงไปทำเขาหล่นรถล่ะหลานก็บอกก็แกไม่ยอมกอดผมอะ่ะแกกอดแต่ขวดเหล้า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 พอหมอเอกซเรย์ ray, หมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแค่กระทบกระเทือนหัวปูดเฉยๆแล้วก็พาณน า, นานางเนี่ยกลับมาบ้านแต่ว่านานังก็ยังคงกระดุกกระดิกอะไรไม่ค่อยได้แล้วนาก็เรียกคุณลบเข้าไปหาแล้วบอกลบเอ้ยเรื่องที่ผ่านมาที่นาะชอบว่าชอบด่านะ้าขอโทษนะคุณลบก็บอกไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรผมไม่ถือสาไม่ว่าหรอกบางทีผมอาจจะดื้อก็ได้นานังก็บอกขอโทษนะแล้วนาก็เรียกตาของคุณลบมาแล้วก็พูดว่าพ่อใหญ่ฝากลูกฝากไอ้เบียฝากอีแก้วด้วยนะ ตาก็บอกไม่เป็นไรหรอกนางเอ้ยเดี๋ยวก็หายแล้วคุณลบก็บอกเดี๋ยวข้าวปลาผมหามาให้กินเองแต่คนอื่นที่เขามาดูเนี่ยไม่มีใครที่จะช่วยเลยมีแต่แบบจะให้หน้านางไปทํางานบ้านแล้วก็เอาเล่าล่อให้กักหนึ่งทํางานทั้งวันแทนที่จะให้เงินให้ข้าวคุณลบก็รู้สึกคนพวกนี้เนี่ยมันมันไม่น่าคบเลยพอตกตอนเย็นค่ะคุณลบก็ทํากับข้าวมาให้นานางป้อนข้าวนานางแต่ว่าระหว่างที่กําลังกินข้าวอยู่หน้านางก็พูดว่าลบ นณีชวนนาไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นตอนหนึ่งทุ่มค่ะคุณลบก็กลับมาอีกครั้งเพื่อจะเช็ดตัวให้น้านางแต่ว่าตอนนั้นตาของน้านางก็เริ่มเหลืองเริ่มเพ้อไปเรื่อยๆแล้วก็เหงื่อออกจากตัวน้านางเยอะมากเป็นเป็นเหงื่อเหมือนเมือกๆอะค่ะเป็นเมือกอยางๆที่ทางบ้านบ้านของบีนะเขาจะเรียกว่ายางตายนะคะพอคุณลบจับดูก็เหมือนกับเป็นเมือกของปลาคุณลบก็เช็ดให้แกแล้วก็ถามว่านานางอยากกินอะไรอีกไหม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 ถ้าร้อนเดี๋ยวผมเปิดพัดลมให้แล้วก็เดินไปเอาพัดลมมาเปิดพอเปิดเสร็จคุณลบถามหน้านางอีกครั้งหน้านางลุกขึ้นมาทําอะไรผมถามจริงๆรน้านางก็บอกเปลา่าวันถัดมาค่ะคุณลบก็มาดูแลหน้านางตามปกติแต่ว่าอาการเนี้ยมันจะเริ่มตอนประมาณสัก4โมงเย็นจนถึง 5-6 โมงเย็นนะคะคุณลบก็ถือเข้าต้มแล้วก็เอาไปให้แกคุณลบก็เหมือนเห็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึงกึ่งทานกึ่งวิ่งแล้วก็กระโดดไปที่หน้าต่างบ้าน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 ผมเห็นแบบนี้จริงๆตาบอกตาก็บอกว่าอะลองเอาพระให้มันใส่ซิแต่ถึงเอาพระไปให้ใส่ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอาการก็เหมือนเดิมจนลูกของนานางเนี่ยชื่อเบียรกลับมานะคะคุณลบก็บอกกับเบียรว่าเบียรแม่มืออาการแบบนี้นะพอเบียรรู้แบบนี้เบียรแล้วแฟนก็ไม่กล้าที่จะนอนกับแม่ที่บ้านแล้วค่ะต้องมานอนที่บ้านคุณลบแฟนแล้วก็อ่าคุณเบียรก็บอกว่าพี่หนูนอนไม่ได้หรอกหนูกลัว อาการของหน้านางตอนนั้นคือลุกขึ้นนั่งได้แต่เดินไม่ได้ถ้าจะเดินต้องใช้ไม่เท้าคำ้ำคุณลบก็บอกเบียว่าเบียแม่มึงมึงไม่ดูเหรอคุณเบียก็เลยตอบคุณลบไปเ่ฮะบอกว่าไอ้ดูนะดูแต่ว่าเมียกูน่มันกลัวก่อนที่เบียจะไปนอนบ้านคุณลบเบียก็บอกกับแม่ว่าแม่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมมาดูนะ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 ก็คือหนานางเนี่ยนะคะเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวไปแล้วคุณลบก็เดินไปส่งหนานางให้หนานางนอนสุดท้ายเบียรก็ไม่ได้ไปนอนนะคะวันถัดมาค่ะวันนี้อาการหนักเพ้อทั้งวันตาเหลืองอาการเหมือนคนอยากกินเหล้าแต่ไม่ได้กินคุณลบก็บอกเบียว่าเบียมึงไปซื้อเหล้าให้แม่มึงกินสักหน่อยแปะ๊ะานางหน้านางเนี่ยพูดเพ้อว่าเดี๋ยวพ่อมึงก็มารับกูแล้วปู่มึงก็มาหากูเนี่ยซึ่งคนที่หนนางพูดถึงนี่คือคนที่ตายไปหมดแล้วนะคะ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 พอมีใครไปพยุงให้นั่งน้นางก็จะหันหน้ามาแล้วก็ทำตาเหลึกๆทำปากขมุบขมิบเหมือนแยกเคี้ยวยิงฟันใส่คุณลบก็พูดกับน้นางว่าน้นางเป็นลายใจเย็นๆ น, นะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลแต่กว่าคุณเบียร์จะตัดสินใจได้ก็ตอนห้าทุ่มล่ะแล้แลก็ช่วงเย็นที่ผ่านมาน้นางก็เพอ้อถึงคนตายอยู่ตลอดเวลาเห็นใครต่อใครไม่รู้อุ้มลูกมาไอ้คนเนี้เดินมาหามาเดินรอบเตียงชวนไปอยู่ด้วยคุณลบก็อยู่ใกล้ๆก็ขนลูกไป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 คุณเบียก็ เ, เอามือสอดใต้รักแร้นะคะคุณลบก็ยกขาแต่ยกไม่ขึ้นเหมือนว่ามีคนไปเหยียบอยู่ในช่วงกลางตัวก็เลยทําให้ยกไม่ขึ้นค่ะแต่จนแล้วจนรอดก็อุ้มน้านางขึ้นรถไปได้อย่างทุลักทุเลแล้วคุณลบก็บอกให้คุณเบียรนี่ยขับรถไปโรงพยาบาลแต่ว่าน้างพูดว่ากูไม่ไปกูไม่ไปพูดไม่ไปอย่างเดียวร้องกังวลกวังวลกัดเคี้ยวกัดฟันพูดตอนที่ขับรถไปที่โรงพยาบาลคุณลบกับลูกสะพ้ยอยู่หลังกระบะ คอยดูหน้านางคุณลบก็บอกกับหน้านางว่าใจเย็นๆนะทำใจดีๆหน้านางนะเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็หายพอผ่านไปสักครึ่งทางค่ะตรงนั้นจะมีสารเจ้าซึ่งคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีแล้วหน้านางก็พูดขึ้นว่ากูไม่ไปกูไม่อยากผ่านตรงนั้นมึงอย่าพากูผ่านตรงนี้แลพระพอรถผ่านก็มีเสียงลมสวนหน้าน้านางออกมาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นๆออกมานะคะแล้วหน้านางก็นิ่งไปพักนึง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 ยิ่งวิ่งยิ่งเปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆ2องทางทางก็เป็นทุ่งนาโล่งนะคะมีต้นไม้สูงลิบหับสลับกันบ้างยิ่งไม่ค่อยคุ้นเส้นทางป้ายทางก็เริ่มหายรถแทบจะไม่มีเลยมีแต่หลักกิโลเล็กๆนะคะเขียนว่าชัยนาทอีกกี่กิโลแต่ที่แปลกคือมีอําเภอสัพพะจุดๆๆไว้ก่อนอยู่ในหลักกิโลด้วยซึ่งปกติไม่เคยเข้ามาถนนสายนี้เลยขับมาประมาณกิโลหนึ่งไฟหน้ารถ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 ไม่มีใครอยู่เล็กๆเลยพอพ้นตรงนั้นได้ไฟทางก็เริ่มมีก็เริ่มคุยกับน้องว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมอย่างไม่ต้องเล่าเดี๋ยวถึงปั๊มใหญ่จอดพักข้างทางตรงาทางเข้านะครสวรรค์แล้วค่อยคุยก็เลยขับรถมาอีกประมาณ2กิโลค่ะเห็นเหมือนๆกันค่ะคนเดิมยืนอยู่ฝั่งเดิมเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาหันหน้าย้อนกลับมาทางรถรอบนี้คือเริ่มมีการเคลื่อนไหวเดินกระเพกกระเพกนคะแต่ที่ทาให้สติเกือบหลุดคือ เขาเดินเอียงซ้ายแล้วก็แถเข้ามาในถนนกินเลนมาเกือบครึ่งเลนใน่ใจคิดว่าชนเลยไหมแต่ก็กลัวว่าชนแล้วเขาจะเข้ามาในรถก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะชะลอความเร็วแล้วแซงออกขวาไปพอเข้าไปใกล้เขาก็หยุดกลางถนนทำท่าเหมือนจะโบกรถก็เลยเบี่ยงขวาค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆก้าวเดินมาแบบจะปิดทางรถไม่ให้ไปน้องก็เลยต้องร้องบอกเฮ้ย <"Hey, S 1> แบบตกใจคุณเอ็มพ้นตัวเขาไปได้อย่างก็เร่งคันเร่งให้สุดเลย ขน ล, ลุกทั้งตัวค่ะน้องในท้องนโมดังมากตอนนั้นสติจะหลุดอยู่แล้วขับตรงอย่างเดียวไม่มองข้างทางไม่มองอะไรทั้งนั้นกระจกมองหลงมองลังไม่มองไม่มีรถตามมาสักคันหนึ่งตอนสุดท้ายขับเส้นนั้นมาได้เกือบ10นาทีก็หลุดเข้ามาเส้นเรียบคลองรถเริ่มเยอะขึ้นขับมาถึงเส้นสายเอเชียก็แวะเข้าปั๊มก๊อตจิ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 ยาวไปเลยเสียชีวิตคาที่ค่ะคามอเตอร์ไซค์ของเขาเลยเรื่องนี้ประมาณปีกว่าๆแล้วเขาก็เลยแนะนำว่าพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าถ้าสะดวกก็แวะตักบาทให้พี่เขาหน่อยละกันเหมือนพี่เข้ามาขอส่วนบุญคุณเอมก็เลยขอบคุณแล้วก็เล่าให้น้องฟังพอ7จ็ดโมงกว่าถึงจังหวัดตากก็เลยแวะใส่